สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวณนารามใกล้กรุงสาวัตถีมีพรามผู้หนึ่งชื่อปิงคละกฎดชะเข้าไปเฝ้าเมื่อได้กล่าวทักทายปราศัยพอสมควรแล้วพรามนั้นจึงกราบทุนว่าพระโคโดมผู้เจริญสมณพรามที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีคนรู้จักมากมีเกียรติยศ เป็นเจ้าลทัทธิอันชนหมู่มากเข้าใจกันว่าเป็นคนดีเช่นปุรนักัสปะมัคคิริโกสารอชิตาเกศก ร, รมพลปกุทกัจจยนะสัญชัยเวลัทบุตรและนิครนนาตบุตรสมณนพรามทั้งหมดนั้นรู้แจ้งเห็นจริงตาปฏิญญาของตนหรือว่าไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลยหรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้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 สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวส่อหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่และเลยแก่นกบพีเปลือและสะเก็ดไม้เสียตัดเอากิ่งและใบไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นคนที่รู้เรื่องดีเห็นเข้าก็จะพึงกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกบพีเปลือกสะเก็ดกิ่งและใบไม้ เมื่อต้องการแก่นไม้จึงละเลยแก่นเป็นต้นตัดเอาแต่กิ่งและใบไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นทั้งจะไม่ได้รับประโยชน์จากกิ่งและใบไม้นั้นด้วยมีอุปมาอื่นอีกบุรุษต้องการแก่นไม้แต่ถักสะเก็ดไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นหรือถักเปลือกไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นหรือถักกับพิไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่น ก็จะพึงถูกหาว่าไม่รู้จักแก่นไม้เป็นต้นและไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ถักไปนั้นเช่นเดียวกันอีกอุปมาหนึ่งบุรุษต้องการแก่นไม้ก็ตัดเอาแต่แก่นไปด้วยรู้จักแก่นไม้คนที่รู้เรื่องดีเห็นเขาก็จะพึงกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญนี้รู้จักแก่นกะัะพีเปลือกสเก็กิง่งและใบไม้ ต้องการแก่นไม้ก็ตัดเอาแต่แก่นไปด้วยรู้จักแก่นไม้ทั้งจะได้รับประโยชน์จากแก่นไม้นั้นด้วยดูก่อนครามข้ออุปหมายก็ฉันเดียวกันนั่นแหละคือกุลบุตรบางคนในศาสนานี้มีศรัทธาออกบวชไม่ครองเรือนด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความค ร, มคร่ำครวญความไม่สบายกายไม่สบายใจ และความขับแค้นใจเข้าถึงตัวแล้วอันความทุกข์เข้าถึงตัวแล้วมีความทุกข์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าชะไหนหนอการทำที่สุดแห่งทุกทั้งหมดนี้จะปรากฏผู้นั้นออกบวทแล้วลาบสกการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นก็อิ่มใจเต็มความปรารถนาด้วยลาบสกการะและชื่อเสียงนั้นยกตนเองข่มผู้อื่นเพราะลาบสกระและชื่อเสียงนั้นว่าเราเป็นผู้มีลาบสกระ ชื่อเสียงส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ไม่มีใครรู้จักเป็นผู้มีศักด์น้อยคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าพระนิต ก, กว่าลาภสั ก, การะและชื่อเสียงก็ไม่ปลุกความพอใจไม่พยายามเพื่อทาให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวงดูก่อนพรามเรากล่าวบุคคล น, นี้ว่าเปรีเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่และเลยแก่น กระพีเปลือกและสะเก็ดเสียตัดเอากิ่งและใบไปด้วยสําคัญว่าเป็นแก่นชนะอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาบสการะชื่อเสียงเกิดขึ้นแต่ก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาบสัการะชื่อเสียงนั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะสิ่งนั้นทั้งยังปลุกความพอใจพยายามเพื่อทําให้แจ้งซึ่งคุณธรรมที่ยิ่งกว่า เพนี่กว่าลาบศักดิรชื่อเสียงนั้นไม่มีความประพฤติย่ยอหย่อนละหลวมผู้นั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยศีลก็อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยศีลสัมปทานคือความสมบูมมรณ์ด้วยศีลนั้นยกตนเองข่มผู้อื่นเพราะศีลสัมปทานนั้นว่าเราเป็นผู้มีศีลมีกัละยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลว คุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประนี ก, กว่าศีลสัมปทาก็ไม่ปลุกความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมดูก่อนครามรเรากล่าวบุคคล น, นี้ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นกระพีและเปลือกเสียถากเอาสเก็ดไปดยสาคัญว่าเป็นแก่นฉะนั้นอันหนึ่ง บุคคลบางคนออกบวชมีลาบส ก, การะชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาบส ก, การะชื่อเสียงนั้นประพฤติสมบูรณ์ด้วยศีลก็อิ่มใจแต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยศีลสัมปทานคือความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นไม่ยกตนไม่ขงผู้อื่นเป็นต้นเพราะศีลสัพพทานั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประนีต ก, กว่าศีลลัทานั้น ก็ปลูกความพอใจพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆไม่มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมผู้นั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิคือความตั้งมั่นหรือความสงบแห่งจิตก็อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยสมาธิสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นยกตนเองข่มผู้อื่นเพราะสมาธิสัมปทานั้นว่าเราเป็นผู้ตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้เป็นผู้ไม่ตั้งมัน่นมีจิตหมุนไปผิดแล้วคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประนีต ก, กว่าสมาธิสัมปทานนั้นก็ไม่ปลูกความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมดูก่อนพรามรเรากล่าวบุคคล น, นี้ว่าเปรีเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่และเลยแก่นและกับพี่เสีย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 ไม่ยกตนไม่่งผู้อื่นเพราะสมาธิสัมปทานั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประนีต ก, กว่าสมาธิสัมปทาก็ปลุกความพอใจพยายามเพื่อทาให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆไม่เป็นผู้มีความประพฤติยอ่อหย่อนละลวมผู้นั้นได้ยานทัศนคือความเห็นด้วยยานหรือปัญญาก็อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยยานทัศนะหรือปัญญานั้นยกตนเองคงผู้อื่น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 ถักเอากับที่ไปด้วยสังคันว่าเป็นแก่นฉะนั้นอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาบสการะชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาบสัการะชื่อเสียงนั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยศีลก็อิ่มใจแต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยศีลสัพพทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีล น, นั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิก็อิ่มใจ แต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยสมาธิสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นได้ญาณทัศนะหรือปัญญาก็อิ่มใจแต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยญาณทัศนานั้นไม่ยกตนของผู้อื่นเพราะญาณทัศนานั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประนี ก, กว่าญาณทัศนะก็ปลูกความพอใจพยายามเพื่อทําให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆไม่มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวม ดูก่อนพรามณ์ทำอะไรบ้างที่ยิ่งกว่าประนีต ก, กว่ายานทศัศนะดูก่อนพรามณ์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งเข้าทุติยฌานคือฌานที่สองเข้าตติยฌานคือฌานที่สามเข้าจตุตทานคือฌานที่สี่เข้าอากาศานานใจยตนาคืออรูปฌานกําหนดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ เข้าวิญญาณจายตนะนัคืออรูปฌานกำหนดวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์เข้าอากินจัญญาตระนัคืออรูปฌานกำหนดว่าไม่มีอะไรแม้แต่นิดหน่อยเข้าเนวสัญญาณาสัญญาตนะนัคืออรูปฌานที่มีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เข้าสัญญาเวทยิตโตนนโรตคือสมาบัตชันสูงสุด ในพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อเข้าแล้วทำให้ดับสัญญาความจำได้หมายรู้และเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขได้อาสวกของภิกษุนั้นสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาคุณธรรมเหล่านี้แลที่ยิ่งกว่าประนี ก, กว่ายานทัศนะดูก่อนพรามรเรากล่าวบุคคล น, นี้ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้ ก็ตัดเอาแต่แก่นไม้ไปฉะนั้นด้วยประการชนิดแหลมพราหม์มจันน์นี้ม่ใช่มีลาบสักการะชื่อเสียงเป็นอนิสงส์ไม่ใช่มีความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอนิสงส์ไม่ใช่มีความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์ไม่ใช่มีญาณทัศน์เป็นอนิสงนะนนสง์แต่ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกําเริบอันใดพรหมจันนี้มีความหลุดพ้นแห่งใจ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 ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเปรียบเหมือนเปลือกไม้ยานทัศนาหรือปัญญาเปรียบเหมือนกพีไม้ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกำเริบเปรียบเหมือนแก่นไม้ซึ่งใช้คำภาษาบาลีว่าอคุปาเจตวิมุตติ